ทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปะปิกะเสมอไปหรือไม่และมีบ้างหรือไม่ที่บุคคลบางคนเมื่อตายจากคนก็เข้าท้องหรือเข้าท้องสัตว์เลยโดยไม่ต้องผ่านการเกิดเป็นโอปปะปิกะก่อนส่วนพวกสัตว์ต่างๆเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปะปิกะด้วยหรือไม่หรือเมื่อตายจากสัตว์ประเภทไหนก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นหรือประเภทอื่นทันทีอีกอย่างหนึ่งในโลกของโอปปะิกะ มีต้นไม้แม่น้ำภูเขาแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นมีจริงหรือไม่พ่อฤาษีบอกว่าก่อนอื่นต้องขอบอกเสก่อนว่าท่านเป็นฤาษีอยู่ในประเทศอินเดียและได้ตายมาอยู่ในโลกของโอปปาติกะ300กว่าปีแล้วนับปีในโลกมนุษย์ ท่านเป็นโอปปาติกะประเภทที่ไปไหนมาไหนได้สะดวกเฉพาะที่สะดวกที่สุดก็คือการท่องเที่ยวไปในภูมิของท่านบางทีก็ไปได้บางทีก็ไปไม่ได้และในระหว่างที่ท่านอยู่ในโลกของโอปปาติกะท่านก็ได้ใช้เวลาเที่ยวดูอะไรต่ออะไรหลายอย่างภายในโลกของโอปปาติกะและได้ศึกษาความเป็นไปของมนุษย์อยู่เสมอรู้สึกว่าทุกคนที่เป็นมนุษย์เมื่อตายแล้วก็เกิดเป็นโอปปาติกะทันที พวกสัตว์ก็เหมือนกันส่วนแผ่นดินต้นไม้แม่น้ำภูเขาและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเท่าที่มีอยู่ในโลกโอปปาติกะนั้นพอท่านเกิดมาท่านก็เห็นว่ามันมีอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านได้ตอบอย่างนี้แล้วท่านก็ได้ออกตัวว่าท่านไม่ใช่จะรู้อะไรทุกอย่างเท่าที่บอกไปนั้นก็บอกเท่าที่ท่านรู้ แล้วข้าพเจ้าก็ได้ถามท่านต่อไปอีกว่าสภาพของโลกของโอปปาติกะที่ว่ามีแผ่นดินแผ่นน้ำภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ท่านมองเห็นหรือที่ท่านสัมผัสได้นั้นก็ได้แก่สภาพของโลกมนุษย์นี้เองหรือว่าแผ่นดินแม่น้ำภูเขาที่ท่านเห็นนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากแผ่นดินแม่น้าภูเขาในโลกมนุษย์เหมือนอย่างว่า คนเราเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นโอปปาติกาเมื่อก่อนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเมื่อตายแล้วแม้จะมีรูปร่างเหมือนกับในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่สำหรับในกรณีที่ผู้นั้นยังเกี่ยวข้องอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งร่างกายที่เกิดใหม่นั้นแม้จะเหมือนกับร่างกายเดิมแต่ก็เป็นร่างกายอีกอันหนึ่งแตกต่างกันตรงที่อีกอันหนึ่งเป็นกายเนื้อแต่อีกอันหนึ่งเป็นกายทิพย์เช่นนี้หรือยอย่างไร และในทํานองเดียวกันทะเลสาบแม่น้ำภูเขาหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้นก็คือทะเลสาบแม่น้ำภูเขาที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองแต่ต่างกันตรงที่อย่างหนึ่งเป็นทะเลสาบทิฟภูเขาทิฟแม่น้ำทิฟอย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงกระนั้นโดยรูปร่างลักษณะแล้วมันก็เหมือนกันทุกอย่างเช่นนี้ใช่ไหม บอกว่าต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทะเลสาบอย่างเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไปปรากฏอยู่ในโลกทิพย์ก็มีและที่เป็นของโลกทิพย์แท้ๆซึ่งในโลกมนุษย์ไม่มีเลยก็มีข้าพเจ้าซักท่านต่อไปว่านั่นหมายความว่าสิ่งที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกอย่างกับในโลกมนุษย์ก็มีใช่หรือไม่ท่านก็ตอบว่าใช่สำหรับในกรณีอย่างนี้ท่านบอกว่า เนื่องจากมนุษย์ที่ตายไปเป็นโอปปาติกะนั้นถ้าหากมีความผูกพันอยู่กับโลกมนุษย์ส่วนมากก็จะเห็นสภาพของโลกทิพย์เหมือนกับโลกมนุษย์ทุกอย่างส่วนสภาพที่เป็นของโลกทิพย์แท้ๆซึ่งไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์เลยเขาจะมองไม่เห็นข้าพเจ้าได้สักท่านอีกว่านั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นจินตนาการทางจิตใจที่เขาสร้างขึ้นเองใช่หรือไม่ ท่านตอบว่าจะว่าในทํานองนั้นก็ใช่และท่านอธิบายต่อไปอีกว่าพวกโอปรปาติกะบางประเภทจะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกมนุษย์แต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกทิพมองไม่เห็นและโอปปาติกะบางประเภทก็จะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมภ า, ายในโลกทิปรปรกทพทส่วนสิ่งแวดล้อมภายในโลกมนุษย์มองไม่เห็นอย่างนี้ก็มีส่วนตัวท่านเองนั้นท่านเห็นได้ทั้งสองอย่าง สิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์ก็เห็นตามความเป็นจริงสิ่งแวดล้อมในโลกทิพย์ก็เห็นตามความเป็นจริงซึ่งจะเห็นทั้งสองอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันก็ได้แล้วแต่ความตั้งใจแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับระดับจิตใจของผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ด้วย หลัแล้วข้าพเจ้าได้ถามท่านต่อไปอีกว่าคนที่จะไปเกิดในโลกมนุษย์จะต้องเป็นโอปปาติกะมาทั้งนั้นใช่หรือไม่ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้โดยปกติเวลาแม่จะมีคันแม่มักจะต้องฝันเช่นฝันว่าได้แหวนได้พระอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสําหรับความฝันในกรณีเช่นนี้เกิดจากอะไรเกี่ยวกับโอปปาติกะที่จะมาเกิดใช่หรือไม่และเกี่ยวตอนไหน คือแม่จะต้องฝันก่อนโอปปาติกะจะมาเกิดหรือว่ามาเกิดในท้องแล้วแม่จึงฝันท่านตอบว่าทุกคนต้องเป็นโอปปาติกะมาเกิดทั้งนั้นเพราะในเมื่อตายแล้วต้องเกิดเป็นโอปปาติกะทันทีฉะนั้นเวลามาเกิดจึงต้องเป็นโอปปาติกะมาเกิดซึ่งบางคน อาจจะผ่านการเกิดเป็นโอปปปาติกะเพียงชั่วแว บ, บหนึ่งก็ได้ส่วนเรื่องความฝันท่านอธิบายว่าเวลาจะมีโอปปาติกะมาเกิดแม่จะต้องฝันทุกคนส่วนจะจำได้หรือไม่ได้จะแปลความหมายถูกหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและความฝันที่เกิดขึ้นนี้ก็มีที่มาสองอย่างคือจากโอปปาติกะและจากกรรมของแม่ที่จะทาให้ได้ลูกดีหรือไม่ดี เป็นลูกประเภทไหนอย่างไรสำหรับความฝันที่เกี่ยวกับโอปปปาติกะนั้นมีสาเหตุดังนี้คือโอปปปาติกะบางตนเมื่อถึงคราวที่จะต้องจุดติและด้วยวิบากของกรรมซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าจะทำให้ไปเกิดในที่ไหนไปเกิดกับใครแต่ก็ด้วยวิบากอันนี้แหละจะทำให้ตนเองไปวนเวียนอยู่ที่นั่น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างสุดแล้วแต่ความเหมาะสมและโดยธรรมดากระแสจิตของผู้ที่จะเป็นพ่อและเป็นแม่ย่อมมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้แม่ต้องฝันออกมาในรูปใดรูปหนึ่งทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่วิบากของกรรมหรือกระแสความคิดในขณะนั้นจะออกมาในรูปไหนภาพที่ปรากฏเป็นนิมิตในเวลาฝันนั้น เกิดมาจากอำนาจแห่งวิบากของกรรมซึ่งอาจจะเป็นของโอปปาติกะที่มาเกิดและอาจจะเป็นของแม่หรือของพ่อหรือของทั้งสามฝ่ายรวมกันก็ได้อันหนึ่งท่านบอกว่าโอปปปาติกะที่สิ้นกรรมและจะต้องจุตินี้ บางพวกก็รู้ตัวล่วงหน้าว่าตนเองจะไปเกิดในที่ไหนแต่บางพวกก็ไม่รู้ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามท่านว่าอย่างพ่อฤาษีนี้เวลาจะจุติท่านจะรู้หรือไม่ว่าท่านจะไปเกิดในที่ไหนท่านบอกว่าปัญหาข้อนี้ท่านไม่ขอตอบครั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ถามสืบต่อไปว่าสำหรับในกรณีของการแพ้ท้อง ซึ่งแม่มักจะอยากกินของต่างๆนี้ความอยากในขณะแพ้ท้องนี้รุนแรงกว่าในเวลาปกติมากความอยากเหล่านี้เกี่ยวกับอะไรทางแพทย์เขาบอกว่าโดยมากจะเกิดจากความต้องการของร่างกายของแม่และเด็กซึ่งหมายความว่าในขณะตั้งครรภ์ น, นั้นตามสภาพร่างกายของแม่และเด็กขาดวัตถุธาตุอะไรที่จะต้องนำไปใช้ในร่างกายเหตุอันนี้แหละที่ทาให้เกิดความอยากสิ่งนั้นขึ้นมาตามธรรมชาติ ความเห็นของแพทย์ในลักษณะเช่นนี้ถูกหรือไม่ท่านตอบว่ามีส่วนถูกอยู่บ้างแต่สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากนิสัยสันดานของโอปปาติกะที่มาเกิดซึ่งอาจจะใช้เป็นหลักในการสังเกตได้ว่าผู้ที่มาเกิดนั้นเป็นคนประเภทไหนมีนิสัยใจคออย่างไรเคยชอบเคยต้องการอะไรอิทธิพลจากจิตใต้สำนึกของโอปปาติกะที่มาเกิดในท้องนั้น จะถูกถ่ายทอดมายังจิตสำนึกของแม่ได้เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าความต้องการในขณะที่กําลังแพ้ท้องนั้นบางทีก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ของแม่เลยเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม่ไม่เคยชอบของอย่างนั้นเลยท่านบอกว่าอันนี้ให้สังเกตเอาไว้บ้างแต่ก็อย่าลืมว่าความต้องการในขณะแพ้ท้องนั้นมักจะมีความต้องการของแม่รวมอยู่ด้วยเสมอ อันหนึ่งท่านได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าตามความเห็นของแพทย์ที่บอกว่าอาการแพ้ท้องของแม่เกิดมาจากความต้องการทางร่างกายของเด็กนั้นท่านบอกว่ามีอีกแง่หนึ่งกล่าวคือโดยธรรมชาติของร่างกายยอมทาให้เกิดความต้องการตามสภาพของร่างกายซึ่งหมายความว่าวัตถุธาตุที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายเคยได้มาจากอาหารอะไรโดยธรรมชาติของร่างกายเอง ก็จะทำให้เกิดความต้องการอาหารหรือวัตถุท่าชนิดนั้นเช่นวัวหรือควายโดยธรรมชาติทางร่างกายของมันได้อาหารมาจากจําพวกหญ้าเพราะฉะนั้นความต้องการของวัวควายที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารก็คือต้องการหญ้าส่วนพวกเสือหรือสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารความต้องการในเรื่องหญ้าจะไม่เกิดขึ้นเลยและในทานองเดียวกันคนเราแม้ว่าวัยวะทุกอย่างจะมีเหมือนกัน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 ซึ่งอาจจะแตกต่างกันทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณของวัตถุาธาตุที่เป็นส่วนประกอบนั้นๆซึ่งความแตกต่างที่ว่านี้สาเหตุส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากสภาพของวิญญาณเช่นคนที่มีปัญญาบารมีสูงมีคุณธรรมเข้มขน้นเมื่อเกิดมาเป็นคนบุคลิกลักษณะทางร่างกายตลอดถึงคุณสมบัติของมันสมองย่อมไม่เหมือนกับบุคคลที่มีปัญญาบารมีมาน้อยมีคุณธรรมไม่เข้มขน้น ความแตกต่างในทางร่างกายซึ่งเนื่องมาจากความแตกต่างในทางวิญญาณนี้จะทำให้เกิดความต้องการในเรื่องอาหารไม่เหมือนกันในเวลาที่แม่แพ้ท้องและความแตกต่างที่ว่านี้จะมีแม้กระทั่งในขณะที่บุคคลทั้งสองประเภทนี้รับประทานอาหารอย่างเดียวกันมีวัตถุธาตุอย่างเดียวกันแต่ในเวลาที่ร่างกายทำการย่อยและดูดซึมเอาอาหารเหล่านั้นไปเลี้ยงร่างกายส่วนที่ถูกย่อยและถูกดูดซึม จะแตกต่างกันอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นการรับประทานอาหารในขณะที่จิตใจไม่ค่อยสบายมีความวิตกกังวลอยู่เสมอกับในเวลาที่จิตใจสบายร่าเริงแจ่มใสการย่อยจะไม่เหมือนกันส่วนที่จะถูกดูดซึมเข้าไปเลี้ยงร่างกายก็จะแตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ข้อสังเกตไว้ว่า สภาพแห่งจิตใจและสภาพแห่งร่างกายในชาติก่อนของผู้ที่มาเกิดในท้องแม่ถ้าหากในชาติก่อนตามสภาพของร่างกายเคยมีความต้องการอย่างไรความต้องการอันนี้จะมามีอิทธิพลต่อจิตใจของแม่และจะทําให้แม่มีอาการแพ้ท้องออกมาตามลักษณะของร่างกายและจิตใจนั้นๆ หมายเหตุจากหนังสือวิญญาณฉบับที่4เมษายนพุทธศักราช2509เรื่องเบ้าเสียงสวรรค์ได้เริ่มลงเป็นครั้งแรกในฉบับรวมที่สองและที่สในฉบับนี้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าเราได้ทำการบันทึกเรื่องนี้อย่างไรและโดยวิธีไหนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่กล่าวซ้ำอีกและสำหรับเรื่องที่ได้บันทึกไว้ในคราวที่แล้ว<ๆ>ก็ได้ถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณฉบับที่สองและที่สาหมดแล้ว ส่วนข้อความที่ถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ได้ทำการบันทึกเมื่อคืนวันที่23เมษายนพุทธศักราช2509เวลา19ในริกา30นาทีต่อหน้าบุคคล14คนซึ่งส่วนมากก็เป็นบุคคลที่ได้เคยเข้ามาร่วมฟังเมื่อครั้งก่อนและเทพเจ้าที่ตอบปัญหาในวันนี้ก็คือพ่อฤษีสราากัสสส่วนผู้ที่ถามปัญหาเป็นคนแรกก็คืออาจารย์สิริพุทธสุข ซึ่งได้ถามปัญหาดังต่อไปนี้จนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงหลปลาใจว่ามีรู้สิ้นแต่แปลพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกปันดานด้วยกำเก่าหมดกรมแค่เผาฟังพื้นดินสู่การดินดู จากไม่ต่อไปรอคอยทางพระเสดิฐช่วยนำสู่แดนไม่ไหลนิรันดร์